สิขาบทที่สองเรื่องพระชัพพคี 628. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัรธีครั้งนั้นพวกพิสุทชาพคีฉันเลียมือพระบัญญัติ 2. พึงทำความสำเหนียกว่าเราจักไม่ฉันเลียมือเรื่องพระชัพพคีจบสิขาบทวิพัง ภิกษุไม่พึงฉันเลียมือภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันเลียมือต้องอบัตทุกกดอนาปฏิวาลภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. นภิกษุไม่จงใจ 2. อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้ 4. ีภิกษุผู้เป็นไข่ห้าภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 6. กภิกษุวิกลจริต 7. จภิกษุต้นบัญญัตสิกขาบทที่สองจบ